ท่านเร่มรณภาพเมื่อวานเนี้บอกแต่ทราบแต่ข้าวๆยังไม่ได้ทราบในรายละเอียดว่าขณะที่ท่านออกเดินบินธบาตรอหกล้มก็เลยเช่นคงจะเป็นเชื้อเส้นเลือดแตกในสมองลักษณะอย่างนั้นนะฟังฟังดูก็สงฆ์ข้องรงพยาบาลก็มรณภาพเมื่อวานเนี้ยลดน้ําศพแต่หลวงพ่อเพิ่งทราบตอนเย็นก็เลยไม่ได้ทําอะไรแต่วันนี้คิดว่า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 นางสิริมหามายาพมารดาของพระพุทธเจ้าประสูตรพระพุทธองค์ในระหว่างทางในระหว่างสงเมืองหลวงพ่อก็เคยได้ไปกราบนะไปกราบที่พระพุทธเจ้าตรัสที่พระพุทธเจ้าประสูตรที่พระพุทธเจ้าเกิดพนะูดง่ายง่ายเ็เป็นแหล่งที่ผู้คนทั้งหลายก็หลั่งหลเข้าไปะยาธรรมโสมกราช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 รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใชนะ้พอเราอยู่ที่ไหนก็พออยู่พอเป็นพอไปการรู้จักหานะการหาและการรู้จักเก็บการเก็บเก็บเพื่ออะไรและก็การใช้ก็ใช้พอประมาณไม่ใช่มีอะไรก็ใช้แบบหลับหูหลับตาอีรุยชุยแช่กามหวานไปเรื่อยคิดว่ามันจะหมดไม่เป็นใอ้คราวที่มันมีนะ่ะมันใช่มันมี้ตาคราวที่มันจนน่ะ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 ด้วยสติด้วยปัญญาของเราทั้งนั้นแหละถ้าพวกเราอยู่ด้วยความระมัดระวังอ่าก็อยู่ได้อยู่ด้วยความสุขสุขตามอัตภาพนะไม่ใช่ว่าสุขสุขจริงๆริงไม่ใช่นะอ่มันโลกมันหาความสุขจริงๆไม่ได้แนละ้วแก่เจ็บตา ย, ยคอยเราอยู่แต่สุขตามอัตภาพที่โลกของเขาเนะี่ยอันนี้ก็คือปฏิปรูประเทศวาโซจาร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 เราคงจะปรารถนาอย่างนั้นกัมังน ะ, ะนั้นมาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยจากนั้นก็พระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินก็เป็นศาสนาประถมพกเป็นศาสนาประถมใครเขว่าเป็นผู้ปุปถมประถารพระพุทธศาสนาแล้วก็พระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราให้รู้จักพระคุณคุณงามความดีรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควร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 ที่อุดมสมบูรณ์ปฏิรูประเทสวะโซจะแล้วปุเพจะเราก็ได้ทำกรรมมาแล้วในอนดีตจะมาเกิดนนงไงแต่เราทำตนไม่ดีอัตตะสมาปณินะีคือทำตนไม่ไ ม, ไม่ชอบทำตนไม่ไมถูกต้องวางตัวไม่ถูกสิ่งที่มันดีไม่ทำทำสิ่งที่มันเลวนะเสิ่งที่มันเลวขนเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่มันเลวนะ เ, เมื่อมันเลวเข้ามานะเนี่ยพอตายจากชาตินี้ก็ไปละท่าน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 จิตสงบแล้วนะรู้ได้เลยโอ้จิตใจถุกนี่มันเด่นจริงๆนะร่างกายกับใจเห็นได้ชัดเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานเนอะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลไม่ถึงไม่รู้วันไหนละชีวิตของพวกเราโรงโรยไปเรื่อยๆไม่ได้เลือกว่าพระไม่ได้เลือกว่ายมโยมก็เผากันแต่ละวันก็ไม่เว้น ถ้าเราไปอยู่ในเมืองเราจะรู้ถ้าเราไปอยู่ในโรงพยาบาลออที่คนไปป่วยมากๆเราจะรู้ว่าตายยังไงฮะเอพระก็เหมือนกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดะเอ่หลวงพ่อจิตนี่ก็แก่กว่าหลวงพ่อปีหนึ่งอายุของท่านแต่พรรษาของท่าน่ะท่านบวชหลังหลวงพ่อปีนึองสรุปแล้วก็คือท่านเจ็ดสิบเอ็ดจะย่างเจ็ดสิบสองนะแต่พรรษาของอประมาณ 49เก้าเกือบห้าหลวพอห้าิแล้วนะของสี่สนบเก้พรรษานี่แหละไม่ได้เลือกพระเลือกเจ้าแล้เรื่องมรณะภัยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวสั่งสอนลูกหลานทุกคนเตือนทั้งตนเองด้วยเตือนทั้งลูกทั้งหลานด้วยพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอ้อการแสวงหาทรัพย์ก่อใช่อให้เก็บให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้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 จะฟูดเครืองจนไม่อยากจะไปเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นน่ะเอแต่ขนาดขนาดไหนหลวงพอ่อน่ะขนาดจูงหมาใส่ฝนไปขนาดนั้นแ่ะเวลาฝนตกพวกเราจูงหมาใส่ฝนลองลองหน่ น, นะหลวงพออ่อเองไปในงานต่างๆลักษณะอย่างนั้นแหละลูกหลานเนะี่ยเอารับพรในต้นี้นะประสงค์จ้าหนุมโมทนาให้พร